เราจะไปเห็นแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้เห็นคนมองคนในชาติเป็นสำคัญเราเกิดมาในชาติไทยเราจะควรจะช่วยเหลือกลุ่มไหนชุมชนไหนอย่างไรที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสังคมนั้นนั้นแต่เมื่อวา น, นก็ได้พูดเหมือนกันได้พูดตรงที่การที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมเนี่ยต้องได้คิดซะก่อนนะต้องรอบครอบ ไม่ใช่ว่าพอคนหนึ่งขึ้นมาทําเรื่องขอคอมพิวเตอร์ขอเรื่องนู้นขอเรื่องนี้ขอโต๊ะเก้าอี้ขอผักสวนยอมขออสนามหญ้าขึ้นมาแต่พออคนนี้ย้ายไปที่อื่นพอคนอื่นมาเฮ้ยกูไม่สนใจกูต้องหาพนงานใหม่อีทั้งทีคนที่ให้มามันเป็นเงินทั้งหมด แต่พู้ที่จะสืบเนื่องต่อไปนะ่ะมันไม่ได้คิดว่ามันเยียบย่ําทําลายผู้ที่เขาเอามอบให้แต่ทีแรกมากน้อยอย่างไงแค่ไหนสิ่งเหล่า น, นี้อยากจะเตือนส่วนราชการเหมือนกันฉะนั้นอย่างวัดวาศาสานาอย่างหลวงพอ่ออยู่ที่วัดเวลาญาติโยมมาก็มกาเกี่ยวเนื่องกันมีอะไรก็ประสานงานกันมันก็ไปได้ดี หทึงถาาว่าวัดเป็นผู้ตั้งเป้าและเป็นผู้ตั้ง อ, อกตั้งใจเป็นหลักแนะนาสั่งสอนพี่น้องประชาชนแต่นี่ส่วนรัชการบางส่วนบางกลุ่มบางคณะพอพวกนี้มาก็ทำพิธีเอาจริงเอาจังพอออกไปผู้หนึ่งเข้ามาก็ไปเหยียบบี้ซะแบนตะแ ต, แต่จนไม่มีผลงานอะไรที่พี่น้องประชาชนที่จะให้การสนับสนุน เวลามีการมีงานมีอะไรขึ้นมาอา้าวประกาศปัง้งปัง้งมาช่วยนะามาช่วยโรงร่ำโรงเรียนตามที่จริงชุมชนสังคมเขาน่าจะมองเห็นว่าชุมชนสังคมของเขาในะลูกหลานเขาก็เรียนหนังสือที่นั่นเขาน่าจะให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือแต่ลุงพ่อเนะี่ยอยากจะตํำหนิผู้นําในชุมชนโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพออหรือครูบาอาจารย์ในชุมชนนั้นๆ หลวงพ่ออยากจะตำหนิอยู่แต่ก็ไม่ตำหนิเต็มปากกันวะแต่อยากจะตำหนิเนี่ยคือบางครั้ ง, บา ง, งบางคราวจัดการจัดงานกันขึ้นมากินเลี้ยงกินฉลองกันขึ้นมารวบรวมเก็บเงินกันขึ้นมาไม่มีบัญชีรายรับรายจ่ายให้แก่พี่น้องที่เขาสนับสนุนญาติโยมที่เขาสนับสนุนหรือพ่อแม่ของเด็กนักเรียนที่เขาให้การสนับสนุนแต่ผลที่สุดก็จบจบกันไปผลที่สุดเรื่องโผลออกมาว่ะ เงินได้เแ่านั้นเทถวนี้เอาไปกินเลี้ยงเท่านั้นเท่านี้แจกใจกันเพราะในสุดก็เลยเป็นประวัติไม่ดีชุมชนสังคมเขาจะยื่นมือเข้าไปช่วยเขาอเอคงจะเป็นอีรอบเก่านั่นแหละพวกนี้มันก็เลยเป็นประวัติติดเนื่องกันไปสืบเนื่องกันไปยาวนานจุดนี้หลวงพ่อวันน่าจะปรับปรุงแก้ไขแต่เมื่อก็ดูแล้วก็ยากนะเข็นค ข, ขึ้นเขา ว, ว่างั้นเถอ แต่ตามไม่ริงน่าจะปรับปรุงแก้ไขอยากจะให้ชุมชนสังคมเข้ามาช่วยเหลือแก่การศึกษาของพวกเราเพราะการศึกษาเนี่ยถ้าจะทิ้งให้แก่ทางรัฐบาลอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่หาได้ไง่ายๆชุมชนสังคมอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าถ้าจะว่าไปแล้วเอาห้าคนสิบคนต่อเครื่องหนึ่ง เพื่อให้ลูกให้หลานเขาได้ศึกษาแต่ถ้าเขามีศรัทธาเขามีความเชื่อมั่นและลงพ่อว่ามันช่วยกันได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าไม่เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์แล้วหมั่นยาตรงที่ความเชื่อนี่หละจะทํายังไงจึงปลูกศรัทธาให้เขาเชื่อได้อย่างวัดว่าศาสนาก็เหมือนกันถ้าวัดว่าศาสนากูบาอาจารย์ที่เป็นหัวหน้า ทำให้เขาไม่เกิดจัดทธาทำอะไรมีนอกมีในขึ้นมาเนี่ยมันก็หมดแต่ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ซื่อสัตย์ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันออกมาอันไหนควรทำยังไงเก็บยังไงรักษายังไงถ้าว่ามันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นไม่มีอะไรออกมามันก็ดี หลวงพ่อว่านะอันนี้ก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการศึกษารัฐการวัดวาศาสนามันเกี่ยวเนื่องกันนะถ้าจะว่าไปแล้วคือวัดวาศาสนาเนี่ยก็เป็นส่วนรัชการส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ของบุคคลเป็นของคลๆว่าเป็นรัชการส่วนหนึ่งเพราะวัดวาศาสนาเนี่ยเราจะไปซื้อไปขายจะไปเช่งไปเช่าไม่ได้ทั้งนั้นน่ะ มันก็เหมือนกับโรงร่าโรงเรียนเหมือนกับส่วนราชการพูดเป็นเจ้าวาดัดเป็นเจ้าของวัดก็ถึงจะไม่ได้อ น, นันต์กับมาแต่งตั้งตามกฎหมายดูแลวัดวาศาสนาถึงจะไม่ได้การบํารุงรักษาไม่ได้รับการบํารุงแต่เงินอาศัยเงินญาติโยมพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนก็พอเป็นพอไปจากนั้นกับวัดวาศาสนาเพื่อกุนหนุนกันไปอีก วัดใหญ่ก็เลี้ยงวัดน้อยวัดน้อยก็เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาก็พอถูพอไถพอเป็นพอไปแต่ถ้าว่าเป็นส่วนราชการอย่างเป็นโรงรับโรงเรียนแล้ว เ, เงินงบประมาณแผ่นดินออกมาอย่ครูบาอาจารย์ก็ได้รับเงินรับเงินเดือนส่วนวัดพระของหลวงพ่อเนี่ยมีจบินธบตฉันเป็นวันวันไปท่านนะวันไหนบินธบาตได้ดีก็ได้ฉัดของดีไปวันไหนบินธบตได้จะข้าวเอาฉันข้าวไปเอออันนี้ก็คือวัด เกิดจากศรัทธาพี่น้องประชาชนถ้าพระในวัดทำตัวไม่ดีเสมมาเลเทเมาขึ้นมาศรัทธาญาติโยมเขาไม่เคารพไม่เลื่อมใสนับถือวัดนั่นก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันเเกณฑ์แหนบเมืองั้นถ้าะเพราะเขาไม่เลื่อมใสนับถือเขาไม่ใส่บาตรให้ฉันนะอันนี้ว่าพระวัดวาศาสนาเป็นอยู่ด้วยประชาชนญาติโยมมันไม่เหมือนสวนราชการราชการนี่มีเงินด้ำเงินเดือนตกออกมา ถ้าท่าจะว่าต่างคือต่างกันจุดนี้การต่างกันจุดนี้แต่ถ้าเราท่าจะว่ามันเป็นฝ่ายพระนี่เป็นยังไงตรงพ่อเขาว่าดีอีกส่วนหนึ่งดีส่วนยังไงคือพระต้องทําตนให้เป็นคนดีต้งเป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบของหลักธรรมพินยัยเป็นพระที่น่ากราบไหว้สัพหรูชาพี่น้องประชาชนจึงนับถือเลื่อมใสแต่ถ้าว่าทําตัวไม่ดีด้วยก็ไม่เลื่อมใสพระเขาอยู่ไม่ได้แต่ส่วนรัชการนั้น แต่ถึงจะทําตัวยังไงถ้าไม่เลวจริงๆอก็ไม่มีการฟ้องร้องออกแต่ถ้าว่าหมู่พวกเพื่อนเห็นขนาดใดขนาดหนึ่งก็ยังเอาไว้กันอยู่ว่างั้นเถอะเพราะเหตุหอะไรเพราะบางทีเผลอๆตัวเองอาจจะผิดอย่างนั้นก็ได้ก็เลยไม่กล้าจัดการกับความผิดของหมู่พวกเพื่อนที่ทํางานร่วมกันผลที่สุดก็เลยจนกว่าแดงโล่จนพอแรงจริง ถึงเจ้านายผู้ใหญ่ขนาดนั้นก็สอบและสอบอีกทั้งที่เห็นอยู่อันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปก็คือกินเงินของส่วนราชการเงินภาษีพี่น้องประชาชนแต่ส่วนภาณีบิณทะบาทฉันจากพี่น้องประชาชนถ้าทําตนไม่ดีแล้วก็เขาหมดศรัทธาเพราะงั้นอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเน่เปรียบเทียบให้เห็นให้ดูเพางั้นแต่ว่าถึงอย่างไงก็ตาม ถึงจะเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าหึงจะเป็นพี่น้องประชาชนส่วนราชการทุกหน่วยทุกเหล่าเราก็กินภาษีพี่น้องประชาชนในหลวงพ่อว่าเนี่น่าจะทําตนให้คุ้มค่ากับเงินของเขาอันนี้คือตรงไปคิดสําเนียดไว้อยู่เสมอถ้าหากว่าข้าพเจ้าทํางานอย่างนี้ข้าพเจ้าทํางานวันละห้าร้อยบาทสมมติว่าเงินเดือนหลายหมื่นนะหรือว่าวันละหนึ่พันบาท ข้าเจ้าทำงานคุ้มค่ากับเงินเขาที่เขาจ้างไหมวันนี้ถ้าทุกคนจำเนียกไว้อยู่เสมอในใจอย่างนี้นคุ้มค่าไหมที่เขาจ้างให้เราทำงานวันเนี้ยอวันละพันบาทกับเขาทำงานทั่ ว, วไปถ้าเราคิดไว้อยู่อย่างนั้นอยู่เสมอนะแปลว่าเป็นการฟิตตัวไม่ลืมตัวการทำงานจะขมักขมันการทำงานจะกระปี้กระเป๋า เพราะว่าเขาจ้างเราเไม่ใช่เงินของเราเมื่อไหร่ถึงจะเป็นเงินหลวงก็เถอะเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนแต่เขาตําหนิก็ให้เขาตําหนิบ้างเพราะเหตุไรเพราะภาษีของเขาภาษีนั่นคืออะไรยอย่างคุณพ่อเปรียบเทียบหลวงพ่อนั่งรถไปไปเติมน้ํามันเขาก็หักภาษีหลวงพ่อมูลค่าเพิ่มเจ็ดบาทหลวงพ่อใช้ไฟฟ้านี่ตกเดือนมาเขาก็หักเลยมูลค่าเพิ่มเจ็ดบาท หลวงพ่อใช้ไฟฟ้าเป็นหมื่นเป็นไงเท่นี่าเดินหนึ่งก็หลายเงินเหมือนกันหลวงพ่อก่อสร้างขึ้นมาอีกไปซื้อวัสดุก่อสร้างภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดบาทซื้อปูนร้อยบาทถุงหนึ่งร้อยกว่าบาทเขาเจ็ดขาดไปเจ็ดบาทอย่างนี้มูลค่าเพิ่มถ้่จะว่าไปแล้วทุกคน เสียภาษีภาษีหล่อนคือใครให้แก่่วนราชการแปดสิบกว่าเปอร์เซนต์ว่ะยินว่านะแล้วเอามาบำรุงรักษาประเทศชาติอีกเท่าไหร่สรุปแล้วคื อ, คอเลยครึ่งเหางนั้นที่เป็นเงินเดือนของข้าราชการที่ซ่อมแซมซ่อมถนนหนทางทำถนนถนนหนทางรักษาประเทศชาติไม่ถึงครึ่งเหางนนั้นนี่แหละ รัฐบาลเขาก็เลยพยายามจะเอาข้าราชการออกอยากจะให้เงินงบประมาณให้มันส้มแซมประเทศชาติครึ่งหนึ่งให้ข้าราชการครึ่งหนึ่งถ้าได้อย่างนั้นมันก็อย่างว่านะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามข้าราชการทั้งหลายก็ควรจะสั่เหนียสั่มลึกเหมือนกันนั่นแหละถ้ามาทุกคนทำงานเพื่อประเทศชาติทำงานเพื่อ ส่วนรวมแล้วก็เรื่องสิ่งที่ออกนอกลูกนอกทางคอรับชงคอรับชั่นอย่างเนี้ยควรจะคิดให้ดีเหมือนกันถ้าว่าผู้ที่คอรับชั่นคือ ท, ทรยศต่อประเทศชาติต่อพี่น้องประชาชนเมื่อได้รับกันเดือนมาเราก็ควรจะยกมือไหว้พี่น้องประชาชนเออเจ้าบุญคุณ ที่เขาเสียภาษีให้เร า, าเราได้ได้เงินมาได้เลี้ยงชีพเ ล, เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเราได้รับความร่มเย็นเป็นถูกเปยกขอเพราะภาษีพี่น้องประชาชนที่จะให้ด้วยความเต็มใจไม่เต็มใจก็คือภาษีของเขาขอขอบคุณพี่น้องประชาชนข้าพเจ้าจะทํางานทําการในแผ่นดินให้ดีที่สุดตามที่พวกท่านทั้งหลายมอบความไว้วางใจกับข้าพเจ้า ถ้าคนทุกคนคิดได้อย่างนั้นประเทศชาติจะคงจะรุ่งเรืองมากกว่านี้หลวงพ่อว่านะอันนี้มันไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นมันไม่ได้ไม่ได้คิดไกลถึงขนาดนั้นที่คิดไกลถึงขนาดนั้นน่แปลว่าพวกเราจะต้องปรับปรุงตัวให้ดีตลอดอย่างพระพุทธศาสนามันถ้าเปรียบเทียบเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาอย่างพระสงฆ์ ไปบินธบาตชาวบ้านเขาใส่บาทให้มาฉันพระพุทธเจ้าท่านก็พูดในพระไตรปิฎกถานว่าภิกษุสงฆ์องค์ใดก็ตามไปรับบินธบาตจากชาวบ้านเขามาฉันเขาให้ด้วยศรัทธาแล้วมาฉันแล้วไม่ได้พิจารณาเห็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตากินแล้วมีแต่ปล่อยจิตปล่อยใจออกไปทั้งโลกแปลว่ากินก้อนเหล็กแดง กินกอนเหล็ ก, แ ด, ลก แ, ด แ, ดแดงกินเหล็กแดงขี้เขาเผาแดงๆในกินเข้าไปในท้องร้อนมันไหมอย่างนั้นอ่ะแต่พระสงฆ์องค์ใดก็ตามถ้าบิบินท้าบาทเขาให้ด้วยศรัทธาไม่ฉันแล้วพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเพิรณาเป็นอสุภะพิรนาอืภาวนาเหมือนนั่นผู้นั้นเพียงเห็นอนิจจังเพียงครั้งเดียวเพรานั้นก็คุ้มค่าอในการเป็นอยู่ บุญกุศลที่เขาให้ได้มาก็สมบูรณ์แปลว่าคุ้มค่ากับข้าวก้อนข้าวของเขาว่างั้นนะสรุปแล้วง่ายๆนะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันทอ่มีเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกันเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการตอบแทนซึ่งกันและกันไม่มีเราที่จะให้ฟรีๆว่างั้นเถอะฟรีๆมันมีที่ไหนอไม่แต่โดยมากที่จะตอบแทนซึ่งกันและกันนะเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่เป็นพระ สงองค์พระเจ้าขอเหมือนกันการจัดอะไรเข้ามาก่อนที่เขาจะได้มาเข้ามาใส่บาตพิธีกรรมเขาทําอะไรบ้างพวกเราเป็นลูกชาวนาพอจะรู้จักตั้งแต่เตรียมขาดเตรียมไถเดือนพฤษภาคมมิถุนานะเขาเตรียมอะไร เ, เตรียมกล้าเตรียมขาดเตรียมไถเตรียมอะไรคันไร่คันนาเตรียมน้ําเตรียมท่าเขียวขํามย่าคืนเราไร่ไปทุกทั้งหมดจนได้เข้ามาใส่บาตร มันเป็นยังไงมันทุกยากขนาดไหนถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วบุญคุณของเขาที่มาใส่บาตรข้าวก้อนหนึ่งไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นภาษาริบุตรท่านไปบินทบาดในกรุงกรุงราชทือพรามใส่ข้าวเพียงทัพผีเดียวใส่บาตรท่านท่านได้ได้ข้าวทัพผีเดียววันนั้นท่านก็มาฉันมาฉันเสร็จแล้วท่านก็ระลึกถึงบุญคุณของพราม แต่คนนั้นออบอบอู้พราหมณ์คนนั้นได้ใส่บาตรให้เราให้ข้าพเจ้านั้นได้ฉันจากนั้นพราหมณ์คนนั้นก็อายุแก่มากแล้วก็เลยหาเลี้ยงชีพทางคารวาะไม่ไหวไม่มีใครจะเลี้ยงก็เลยเข้ามาตัวเองก็เกิดความความคเคารพเลื่อมใสในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ่านได้ฟังพระธรรมคําสั่งสอนอยู่บ่อยๆข้าเรามาเป็นขยมวัดนั่นแหละ เป็นโยมวัดเป็นขยมวัดล่างถ้วยล่างชามล่างบาตรอะไรก็จะทำช่วยเหลือได้แต่ล่า ง, ดาาา ง, าางได้ยากทางทําทางโดยจงกลมให้แก่พระเพราะเป็นคนแก่อายุแปดสิบปีนะ่ไม่ใช่แก่ธรรมดาแต่นี่พราหมณ์คนนั้นในใจก็คิดอยากจะบวชเดเห็นพระสงฆ์ทั้งหลายท่านทําตัวรักษาศีลพอเช็ดทั้งก็ไปนัง่งภาวนาของท่านเงียบ มีแต่พวกเราที่ทำธุรการงานให้กันโต๊ะโต๊ะเต๋อเตยอไม่ได้เอาจริงเอาจังมาอั้นถท่านก็อยากจะบวชอยากจะบวชเป็นพระแต่ทำยังไงจะบวชเป็นพระได้เพราะอายุแก่แล้วท่านก็คิดคิดคิดคิ ด, ค, ดคิดอยู่คนเดียวงั้นเถอะจนกินข้าวไม่ได้จนตูเหลืองเมืั้นะพระสงฆ์ก็ถามพราหมณ์ทำไมกินข้าวไม่ได้แล้วทำไมไม่สบายเหรอทำไมหน้าซีด ท่านก็บอกว่าสบายดีอยู่ครับแต่ใจไม่สบายแต่ร่างกายไม่ไม่มีอะไรแต่ว่าใจไม่สบายเพราะใจคิดมากว่างั้นพอนานนั้นเข้านั้นเข้าก็เลยอดไม่ล้นทนไม่ไหวว่างั้นแต่พระถามเอ้าพามทำไมซีดลงเรื่อยๆไม่สบายดีเลยผมไม่ทางนอกไม่สบายดีอยู่ครับแต่ใจของผมไม่สบายเอาเป็นไรเพราะผมอยากจะบวชครับงนแต่ไม่รู้จะใใครจะให้ ช่วยเหลือผมได้บ้างองค์ไหนได้บ้างเพราะว่าผมเป็นคนแก่แล้ะผมจนอีกไม่มีเงินไม่มีบริขารเหมือนผมก็เลยอยากมีแต่ใจอยากจะบวชอย่างมากเหนพระสงฆ์ได้ยินกับพูดวงกว้างออกไปเรื่อยๆคนที้ถึงได้ยินถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกไปชุมสงพอเรียกไปชุมสงเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ถามว่า เราได้ยินทราบข่าวว่าอ่ราธพามเนี่ยเขาอยากจะบวชใช่ไหมพระสงฆ์ก็รับคําพระเจ้าขา่าวเขาอยากจะบวชจางมากจนตัวเหลืองอะกินไม่ได้ให้ว่าลักษณะกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนั้นอ่ะอพระพุทธองค์ก็ถามว่าแล้วจะทํำยังไงจะมีใครบ้างที่จะหาจักบริการให้แก่พรามได้พระสงฆ์ก็เงียบเอาอย่างนี้นะ ใครบ้างและลึกถึงบุญคุณของราตพามใดบ้างราตพามคนนี้ได้ทําบุญคุณให้แก่องค์ใดบ้างที่นั่งประชุมในที่นี้พระพุทโธองประกาศท่านพระสารีบุตรนั่งกระยงประนมมือบอก่าข้าพระองค์ระลึกได้ระลึกได้เรื่องอะไรสารีบุตรสมัยหนึ่งข้าพระองค์ไปบินธบารในกรุงราชาคือ บินธบาะนมนานไม่มีใครใส่บาทเห็นราตพามเขาไปพึ่งไปทําใช่ยๆว่าไปทําพิธีพราหมณมาแล้วก็มีได้ข้าวมาเขามาเห็นข้าพระองค์กําลังบินธบะเขาก็เลยเอาข้าวใส่บาทข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งข้าพระองค์ก็ได้ฉันข้าทัพพีนั้นของราตพามท่านนี้ข้าพระองค์จําได้เนี่เพราะว่าข้าพระองค์จริงแล้วลึกถึงบุญคุณของเขาอะ ลาถามได้ทําบุญคุณแก่ข้าพระองค์คือได้ใส่บาตรแก่ข้าพระองค์ข้าวทัพพีหนึ่งแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นท่านสาริบุตรพามเป็นผู้ทําบุญคุณให้แก่ท่านขอให้ท่านเป็นภาระในการบวชให้แก่พรามด้วยนะได้ไหมได้พระเจ้าค่ะจากนั้นพระสาริบุตรท่านก็เลยเป็นภาระในการบวชให้แก่พรามนี่แหละถ้าจะว่าไปเรื่องบุญคุณเนี่ย พระหันผู้ละเอียดอ่อนพระริยะเจ้าผู้ละเอียดอ่อนถึงใครจะทําบุญทําคุณให้แก่ท่านเพียงข้าวทัพผีเดียวท่านยังไม่ลืมบุญคุณแล้ว ล, ลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณที่เขาให้มาก่อนแล้วจากนั้นท่านก็กตันญูกระวเวทิตตาตอบแทนบุญคุณเอบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อน อยคือท่านให้ข้าวก่อนใส่บาตรให้ภาษาเบุตรจากนั้นพระราตพามท่านบวชเมื่อพายแก่ภาษาเลบุตรก็เอาแยกจากพระสงฆ์หมู่ใหญ่ไปอบรมสั่งสอนอีด่างหากเพราะงั้นถ้าอยู่หมู่ใหญ่นี่ยรับกลัวไม่ทันเขาคนแก่พระแก่ก็เลยไปแยกไปไปสอนอีด่างหาไปบินธบารในหมู่บ้านที่บินธบารหาได้ง่าย จากนั้นท่านก็สอนเรื่องธรรมะสอนแนวปฏิบัติให้ไม่นานพระราตพานก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นมังก์มาเข้ามากราบพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเออหมดภาระบมดกิจแหละเป็นพระอรหันตะ์แล้วจบแล้ว จ, จบหลักสูตรปริยาเอกแล้วจะไปที่ไหนก็ไปได้ละบัดภาษาลิบุตรก็ปล่อยวางพระพุทธเจ้าก็ถามว่าสารีบุตรเป็นไงลูกศิษย์แก่ของท่าน เชื่อฟังคำท่านดีอยู่หรอภาษาเลขบูตรบอกว่าราธรามลูกศิษย์ของข้าพระองค์ถ้าจะเป็นร้อยเป็นพันข้าพระองค์ก็จะพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะสอนได้เพราะว่าพระราธรามเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายพระเจ้าค่ะ เ, เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้ยินดีรับฟังเป็นผู้ตั้งใจฟังไม่ดื้อดึงไม่ถกเถียงอะไง้นเ เมื่อฟังเพราะฉพระสารีบุตรสอนอะไฟังถจงที่อายุแก่หาได้ยากพระพุทธองค์ก็เลยเรียกราธพาสมาเป็นไงราถภาล่อท่านได้อาจารย์ที่ดีใช่ไหมท่านลาถ ภ, า, ภมมาล่ะลาถภาบอกโอ้ภาษาเรียบุตรพระอุปัชฌาย์ของข้าพระพุทธเจ้า เ, เป็นผู้สอนดีเป็นผู้ว่ากล่าวดีแต่ข้าพระองค์เป็นผู้รับฟังการที่ผู้อื่น ชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้ข้าพระ อ, องค์คิดว่าไม่ใช่อย่างอื่นคือผู้นั้นชี้ขุมทรัพย์ให้เพระ อ, อุปชาของข้าพระ อ, องค์ชี้ขุมทรัพย์ให้บอกว่าเออในตราธารพามขุมทรัพย์อยู่นั่นนะน่ท่านไปขุดเอาซะนะเมื่อขุดมาแล้วก็เป็นสมบัติของข้าพระ อ, องค์เองเพราะนั้นผู้ที่แนะนําสั่งสอนคือผู้นั้นเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ครับผม นี่แหละพระพุทธองค์ก็เลยได้ตั้งราธาพามไปว่าดูก่อนสงทั้งหลายเราแต่งตั้งให้ราธาพามพระภูเทาองค์นี้เป็นเอตตะคะเป็นยอดเยี่ยมกว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนี่แหละได้รับเอตตะคะเดชได้กล่าวว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้ยินดีรับฟังเวลาครูบาอาจารย์ เขาอุปชาสอนเงี่ยงหูฟังวะอ่าไม่ใช่ปิดหูไม่เหมือนลูกศิษย์ถูกหาของหลวงพ่ออินบางคนอ่พอครกกูบาอาจารย์สอนปัดก้นนี้เลยปิดหูฟังถ้าไม่ปิดหูฟังเอาใจลอยไปทางอื่นทําท่าหูตึงไปเออเหมือนใส่ศาสตรน้ําใส่หลังหมาอย่างนั้นศาสตร์ใส่พวดพอผ่านในจิตเพื่อเผยซึ่งสะบัดใส่หลวงพ่ออินอีกต่างหากวะเงี้นเด้อ มันไม่เหมือนลัตาพามลาตาพามเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเอามาคิดมาเปรียบเทียบนะเอพูดทั้งนี้ทั้งนั้นหรอกพวกเราได้คิดนั่นนะเปรียบเทียบให้ฟังเพระในครั้งบอกพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเด้็กรับพรไดนะ้ไหมโลโมทนาให้พรซาปาร